ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อเยอส่วนวิรัติสัมมาวจายตัวนี้เป็นตัวเป็นสภาวะที่งดเวน้นคือเวระเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดเวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเพ้อเจ้อเวระเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคําหยาบ เนี่ยมาเลยสลับกันเนี่ยนะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ่อเจออฉะนั้นเวรเจตนาแต่ละอย่างที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จก็อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งการพูดพูดส่อเ right? สียดก็อย่างหนึ่งคำหยาบก็อย่างหนึ่งเพ่อเจ้อก็อย่างหนึ่งคนละอย่างไม่เหมือนกันแปลว่าเป็นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งความเพ่อเจอตอนนั้นอกุศลเกิดผู้เท็จนี่ยเจตนาเป็นบาปและเป็นอกุศลแล้ว ก็เลยเป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดมาเป็นการพูดเท็จไปหรือบางทีก็พูดส่อเสียดทําให้คนแตกล้าวกันไปก็น่เป็นเจตนาในใจเป็นอกุศลก่อนแล้วแล้วก็ขับเคลื่อนทําให้วจีวัญญัตมีการเปล่งมีการกล่าวมีการพูดออกมาแล้วก็พูดคําหยาบเหมือนกันแล้วก็นเพือพูดเพ้อเจอไปวันๆเนี่ยเนาะลายไรยสาระไม่ประกอบไปด้วยศีแลสาระถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเวลเจตนาอกุศลเนี่ยเกิดในเรามากไหมมากไม่มาก เวรเจตนาเจต น, นาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็ศคำหยาบส่อเสียดเพื่อเจอเนี่ยมากไม่วันวันมากแต่ถามบอกว่าเวรเจตนาเหล่านี้ถูกตัดขาดด้วยอะไรถูก ต, ตัดขาดด้วยวิรติเนี่ยวิรัติสัมมาวาจารฉะนั้นตัววิรติสัมมาวาจาเนี่ยเขาจะไปตัดหลอนหรือหักหลอนเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบหรือเพื่อเจอ นั้นถ้าหากว่าตัววิรตีเกิดนะมันจะตัดปุ๊บไม่ให้เกิดเลยอะ่ะเช่นไปเจอวัตถุที่กําลังปรากฏที่จะเป็นเหตุแห่งการที่จะกล่าวเท็จเช่นมามาเจอโยมปุ๊บโหวันนี้ดีแล้วมิได้โอกาสแล้วจะกล่าวเท็จทันทีพอทําท่าจะกล่าวปุ๊บวิรตีนะที่เอามาสั่งสมมาเนี่ยสมาทานมาตอนบวชเนี่ยเอามาไม่สมควรแท้ๆเลย ว่าเป็นสาวกของพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งแต่บวชมาไม่ได้กล่าวเทศสมมุตเนี่ยนะจะมาพินิตเหตุแห่งการกล่าวเท็จไม่สมควรกับเราเลยเนี่ยเราไปปฏิญญาณต่อสงฆ์เอาไว้เลยอะ่ะใช่ไหมทั่วอุโบสถกรรมนั้นเนาะว่าเราจะบวชเนี่ยสรรพัพพทุกขานิส ร, รณนิพพานนาสัจจิกรณนาถายะแล้วการกล่าวเท็จเหล่านี้ก็ขวางมากกว่านิพพานนันนีจะเสียหายมากเนี่ยเพราะคิดได้อย่างนี้เบียเสร็จก็ตัดลอน นี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่ไงวิรตีนี่เป็นสมาทานวิรัตินนเนี่ยเนี่ยสมาทานวิรตัตมาตัดเนี่ยตัดเวรเจตนากุศลที่ไปเห็นการกล่าวเท็จบางทีออกมาก็จะพูดส่อเสียบ้างใช่ไหมอาจจะพูดบอกว่าเออเนี่ยมีใครว่าโยมสมมุติไงนะแหมเนี่ยเห็นเป็นโยมนะเลยมาบอกถ้าไม่รู้อย่างสมมติเนี้ไม่พูดจริงนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ย พอจะกล่าวงนี้เบสเสร็จปุ๊บตัวเวรตีก็ตัดลอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุถึงการกล่าวส่อเสียดก็หยุดเสียได้เพราะนึกถึงที่เราบทเป็นพระมานี่สมาทานวิรตัตเกิดอย่างนี้เพราะปรากฏเฉพาะหน้าที่จะกล่าวเทศมีอารมณ์มีวัตถุที่ปรากฏอยู่แล้วจะพูดคําหยาบเหมือนกันรู้สึกแหมมันเป็นคําสนุกดีหยาบหยา บ, บอย่างเงี้ยขอภัยนะคำว่าไอ้มืออีกูขอ ข, อ, ขอภัยคำนี้มันที่พูดหยาบหยาบเนี้ยพูดแล้วมันสนุกเนี้ย พอจะกล่าวขึ้นมาปุ๊บก็ตัดเวรเจตนากุสนได้หรือพูดเพลจอใช่ไหะไรสาระไรประโยชน์ไม่มีศีไรสาระสมาธิสาระปัญญาสาระไม่เป็นปัจจัยกัมุติสาระวิมุติญาณทัศน์สาระพอจะพูดอย่างนั้นปุ๊บก็วิรัตก็ตัดลอนเนยเวรเจตนาโดยนั้นนี่เวรทีเขาเกิดแบบนี้สมาวิจาเอาเราเกิดแบบนี้ไหมแต่ถ้าสัมปตาวิรัตเนี่ยไม่ได้ปารถสิ่งที่สมาทานไว้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 ตัวเวรตีเขาอยู่ในใจนะเสมอเหมือนหนึ่งบอกถ้าเรานั่งอยู่ในห้องใจของคุณเวรทั้งหลายอากุศลทั้งหลายอยากเข้ามานะเหมือนเขาจะโข อ, อย่างงั้นเลยบอกเองอย่าเข้ามาตอนเนี้ยเรากําลังนั่งท่านอยู่ในใจเนี่ยทําไมบาปทุจริตทั้งหลายถึงเข้ามาทางวาจาฉะนั้นท่านจะคอยห้ามเขาไว้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 กิริยาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็วิรัติสัมมาวาจาใช่ไหมมีสอย่างใช่ไหมสมาสมมาเออสัมมากัมมตะค่อยๆกิริยาสัมมากัมมตะเจตนาสัมมากรรมัตะแล้วก็วิรัติสัมมากัมมตะตัววิรัติสัมมากรรมตะก็คอยตัดเวรเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเป็นเหตุแห่งการรักเมื่อสักครู่เนี่ยยอมถามมาใช่ไหมกลับไปยังไม่รู้ถามเรื่องมด ออกมาเขาฟังออกไอ้ทำยังไงเนี่ยจะจัดการกับมดได้แหอปัญหาหนักเหลือเกินปัญหาเรื่องมดน่ะมดมันขึ้นบ้านน่ะแล้วมาจะพูดยังไงออกมาก็หกยอยกงใคือตรงนี้อุบาสกบาศิกาในพระศาสนาวุฒยาวต้องฉลาดในการที่จะดูแลเนาะ สรุปก็คือทํายังไงอย่าฆ่าเขาอย่าเบียนเบียนโยอย่าไปฆ่าเขาเพราะว่าเวรเจตนากุศลเนี่ยที่จะไปฆ่าเมื่อกี้โยมไม่รู้ไม่ทราบว่าคุณโยมไปหรือยังเนี่ยโยมก็บอกว่าโยมก็ท่องคาถาพอท่องเสร็จก็จัดการเลยไม่รู้จะไปขอไปเนี่ยไม่ดีทั้งยัยโยมนคริสโยมท่องเนี่ยนี้ ไม่รู้ท่องอย่างไงมาจําไม่ได้เลยก็บอกว่าเออจะเป็นคาถาฟังแล้วก็คล้องจองดีนะไม่รู้่เธอไม่รู้เธอไปจํามาจากไหนฟังเล้วดีคาถาแต่ว่าไปท่องเป็นคาถาเป็นคงเป็นคาถาแบบโบราณที่จํากันมาเนี่ยที่ก็ท่องพอท่องไปเสร็จเธอก็กําจัดเลยอย่างเนี้ยไม่มีไอ้ตรงเนี้ไม่ดีฉะนั้นก็คือคิดอย่างนี้ก็แล้วกาันว่าหนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตเนาะให้คิดอย่างนั้นให้งดเว้น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 เขาไม่มาทําลายเราจนถึงขนาดสหัสสกันใดๆหรอกมีเมตากับเขาเพราะว่ามองเขาโดยปิยะจากสุใช่ไหมเหมือนยุงกัดเดี๋ยวบางทีเราโอ๊้ยเขากัดนี้เดียวแค่นั้นเราเราทบเขาซะจนเต็มที่เลยเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็นึกเราก็นึกวาก็ก็เมตตาเขาใช่ไหมก็รู้จักที่จะไม่จะว่าเป็นเมตตาแบบออกไปกลางแจ้งไงเขาดีกลินเป็น เอ่อเป็นไข้ปา่าเป็นวันเป็นมาเรียไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีวิธีป้องกันนะครูเจ้าก็ป้องกันนะเหลือบยุงไร ล, ลมแดดต่างๆนะมีกรดมีจีวอนอะไรนี่ป้องกันทั้งนั้นนะพรูเจ้าสอนให้ป้องกันนะั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไปประทุสร้ายเขาบอกในสังสารวัตที่เราไม่เคยเป็นไม่มีไงนะเราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้เนาะถ้าเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จว่าไอ้ตัวเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่า มันจะเกิดโทสะก่อนนั่นแหละเจตนาที่เป็นทุกศีลเกิดขึ้นมามันก็จะฆ่าจะประทุษร้ายเขาบางทีเนะี่ยเขาอยู่ในที่ล้างมือเราเห็นเขาแล้วแต่แกล้งไม่เห็น <c oughs> ก็เปิดน้ำเคยไหมเปิดน้ำล้างเฉยอะไรทำทีทำ ท, ท่าไม่เห็นแล้วมันไปแล้วแล้วชอบหลบเลี่ยงคนไทยเนี่ยแล้วพูดเรื่องศีลเนี่ยามาไม่ได้พูดพวกเราพวกเราคงไม่เป็นแน่นอน เดี๋ยวพูดคนอื่นดีกว่าอย่างพวกเราเป็นผู้รักษาศีลัน แ, แล้วคงไม่ได้บางทีนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีการลักไก่กันเยอะรักษาศีลกันตลาดประหลาดดีคนไทยนี่เนะี่ยคือจริงๆเนี่ยศีนเนี่ยนะบางทีการรักษาศีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแม้นข้อลักขโมย บางทีไม่ได้รักขโ ม, มอยอ่ะแต่เราเบียดเบียนเขาวิธีการที่ถูกต้องก็มีนะอย่าลืมเนะี่ยไอการเบียดเบียนเขาได้วิธีการที่เหมือนดูจะถูกต้องอะไรต่างๆเราเนี่ยเนะี่ยมันเยอะแยะเบเสร็จถ้ามีพักมีพวกเขาหน่อยใช่ไหมก็ใช้อุบายกันเยอะหมดเลยอะ่ะใช้สิทธิใช้อะไรกันเบียดเสร็จเยอะแยะเบเสร็จเลยในะนีนี้มีเยอะเลยอะ่ะบางที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 แต่รักษาศีลของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่กฎหมายแต่รักษาศีลเพื่อต้องการจะขัดเกลาเพื่อจะทำให้ราคาโทรศโมหานั้นเบาบางลงใช่แต่ถ้ารักษาศีลต้องบอกว่าเอ๊เช่นโลภะเกิดไม่เป็นไรเพราะไม่ล่วงละเมิดมาทางกายทางวาจา อ, อย่างนี้ยนะัยุ่งเเนี่ยไม่ไม่ล่วงละเมิดจริงๆนะคือไม่ครบกรรมาบทแต่บาปมันเกิดที่ใจแล้ ว, วงไง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 แล้วไหนละอัธยาศัยในการขัดเกาวความไม่โลภอยู่ตรงไหนแล้วที่จะบรรลุล่ะแล้วที่จะหลุดพ้นล่ะอะไรเ่ะจะหลุดพ้นได้ก็วิธีคิดมันยังเป็นแบบเนี้ยเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมอุ ป, ปนิสัยเขาเขาพูดนะแต่จริงๆไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเขาทำไมคนไทยปึกแปลก ชอบทำอะไรแบบหลบเลี่ยงแล้ววิพกพูดเราเป็นความฉลาดนี่เป็นเรื่องประหลาดแท้ก็ปั้นนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องประหลาดคือบางทีไปพูดอย่างนี้เขาไว้แล้วเบ็ดเสร็จใช่ไหมพอมาวันหนึ่งก็สามารถพลิกลิ้นได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนฉลาดตัวนี้ตั้งๆที่ผิดศีลเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ตรงนี้ก็ไปไปศึกษาดูว่าเราท่านทั้งหลายปรารถนาการขัดเราเนี่ยเนียปรารถนาต้องการที่จะบำเพ็ญบรารมีโดยเฉพาะศีแลบรารมีเนี่ย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 เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการรักเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกามตัววิรัติวิรตีจะคอยตัดหลอนเวรเหล่าเนี้ยเวลเหล่าเนี้ยให้ออกไปจากใจไอเวรเจตนาอุศลที่เกิดขึ้นเวรตีจะคอยห้ำหันจะคอยขจัดออกไปเขาจะอยายกจะไม่ให้เข้ามาก้้ำกายในใจเลยในสุดจริงใจก็เข้าถึงความสะอาด พอใจสะอาดแล้วกายกรรมวิจีกรรมจึงชื่อว่าสะอาดตามไปด้วยเข้าใจยังเพราะเวรตีเนี่ยก็เกิดที่ใจประชุมที่จิตนี่นะเกิดที่จิตใจนี่ขัดเกลารที่ใจนี้มันก็เลยตัดรอนได้อย่างนี้นะส่วนสัมปตตาวิรัติก็ดีเออส่วนเออส่วนสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะท่านกล่าวสวิริยะสัมมาอาชีวะกับวิรติสัมมาอาชีวะมี2 อ, อย่าง ถ้าวิริยะสัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพไงถ้าพระก็คือเนี่ยเว้นจากทูลกูสาาักะเว้นจากการประทุสร้ายตระกูลประจบเครือขัดประจบประแจงเขาเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีการประพฤติผิดให้ไม้ภผยให้ใบไม้ให้ของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหมอยาเป็นอะไรต่างๆกว่าเวอีกเยอ ะ, อะรายละเอียดนี่นะถ้าเป็นคารวะก็เนี่ยละมิจฉาวนิช า, ชาการค้าข่าให้ไม่ชอบทะ ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายจัดเป็นค้าขายนะ้ำมาว่าไปทำแบบนี้แต่ว่าตัวขับเน้นจริงๆหนึง่งท่านขับเน้นใจเพราะวิรติสัมมาอาชีวะเนี่ยก็คือว่าตัดเวรและเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการเพี้ยนผิดคือไม่ให้เวรและเจตนามันเกิดขึ้นคืออกุศลเกิดในใจอะวิรติก็คอยตัดรอน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 จะได้ทำเวตีให้เกิดขึ้นในใจมันจะได้ละได้กันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่ากันอยู่ก็เลยเสียหายเลยนี่นี่เป็นนี้ส่วนในรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะว่าวเวตีที่สัมปยุต้มาร์กเรียกว่าสมุเฉ ท, ทวิรัตไปเช่นสัมมาวาจาสัมมากรรมิตาสัมม า, าชีวะเนี่ยที่ประชุมอยู่ในอรดียามาร์กก็เป็นสมุเฉ ท, ทวิรัตพละต้นเหตุหรือบาป เกียดเหงาการล่วงละเมิดบาปกระสุรธรรมรมาโมกเป็นต้นได้ประการต่อมาพระโพธิสัตว์ก็พิจารณาต่อไปนะท่านบอกแต่พุทธการละกธรรมจะมีเพียงแค่สีและบา ร, รมีแค่นี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาพุทธการกะกธรรมที่เป็นเครื่องบ่มเพาะโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็นเนกขมะบา ร, รมี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 คนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำมุ่งหน้าต่อเนคัมมะเพื่อหลุดจากภพ บ, บอกว่าได้รับทุกขเวทนาย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำมีแต่จะหาช่องทาง ท, างที่จะพ้นไปออกไปแม้ฉันใดท่านจงเห็นกาเมพบรูปประพบและรูปประพบทั้งปวงประดุดเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคัมมะเพื่อหลุดพ้นจากภพฉันนั้นเถิด เออมาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าเนคขมารบรมีเนี่ยนะมีการออกจากกามและออกจากออกจากและจากมีโชคเป็นลักษณะมาจากคำว่ากามโตจากภาวโตจากนิค ja ัมมณรัคนาออกจากกามแล้วก็ออกจากจากมีโชคคือให้ออกจากพวกสกาละทั้งหลายเป็นต้นเนะ่ในกรณีเนคขมารเนี่ยนะ ตัวเนคขมมะบา ร, รมีเนี่ยคําว่าเนคขมมะเนี่ยถ้ามาพิจารณาตามพระธรรมคําสอนท่านบอกว่ามีการออกจากกามและออกจากภพเนี่ยมีการออกจากกามและออกจากภพคําว่าออกจากภพเนี่ยนะมีการประกาศโทษของกามเป็นดลเป็นกิจเนี่ยนี่คือกิจคนที่เขาบำเพ็ญเนคขมมะเนคขมมะจริงๆเป็นจุดแรกยริงที่เป็นชื่อของปฐมวชาง เป็นเบื้องต้นก่อนนี้นะที่พระพระุทธออย่างเช่นอย่างสุเมธาเนี่ยท่านบําเพ็ญทานลบา ร, รมีก่อนใช่ไหมแล้วก็ศีลบา ร, รมีแล้วก็เนคกรรมะเนคกรรมะแปลว่าท่านได้ปฐมฌานเห็นไหมเนี่ยก็คือท่านเห็นโทษของกามนันเองสังเกตดูที่ว่าท่านพารัฒนาโทษของกามมาตามลําดับท่านบอกว่ากาลมาคุณเนี่ยน้าเบือนนายท่านก็ไล่มาตามลําดับประดุดก้อนเลือนเนี่ยขันห้าเนี่ยคือเลือนนะเลือนเนี่ ย, นนยไฟมันไหม ไม่ว่ามันไฟสิบ็ดกองเนะี่ยไฟคือราค่าไฟคือโทษาไฟคือโมหะไฟคือชาติชราพรยาที่มรณะโศกบุรีเดวะทุกขโทมันน่าสาเลืวบายญาติไฟสิเบเอดกองมันก็เผาไหม้บ้านหลังนี้อยู่ตลอดเวลาคนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็ทรับออกจากบ้านหลังนั้นหมดแล้วใช่ไหมใช่คนโง่ก็กอดกอดบ้านหลังนั้นไม่อยากออกจากบ้านหลังนั้นในอัตภาพอีกหลายร้อยหลายล้านอัตภาพที่ผ่านมานี่นะเราเนี่ยให้ไฟไหม้เรือนเราทุกพบเลย ไม่ยอมหนีแล้วเนี่ยออกจากเรือนนี้ก็ไปสู่เรือนหลังใ um. หม่ออกจากเรือนหลังนี้ก็ไปสู่เรือนหลังใหม่อัตภาพคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรือนไหมเป็นบ้านไหมบ้านหลังนี้ใกล้จะพังยังเนี่ยใกล้จะพังแล้วเพราะพังแล้วเราไปสร้างบ้านใหม่ไหมเนี่ยก็ไปติดบ้านหลังใหม่ไม่ยอมออกตั้งแต่ปฏิสนธิปุ๊บเนี่ยไฟมันเริ่มไหม้ยังชาติเนี่ยเป็นไฟแล้ว ชลาเป็นไฟแล้วพยาธิมรณะเป็นไฟราคาโทสาโมหะที่เกิดในใจเนี่ยเป็นไฟแล้วก็ไฟมันไหมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนมีปัญญาทั้งหลายเ้าก็หอบเอาของออกจากบ้านหมดแล้วใช่ไหมถ้าไฟไหมบ้านเราทำไมไม่หอบสิกขาสามกาวคือศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาโดดออกจากบ้านหลังนี้ซะทำไมไม่ออกเพราะอะไร รอจนไฟไหม้จนบ้านพังหมดก็ไปสร้างบ้านใหม่สร้างปุ๊บไฟติดอีกแล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไหม้ไปพังแล้วก็ไปสร้างใหม่แต่เนคคำมะเนี่ยท่านเห็นโทษของกามและพบเนี่ยแล้วท่านก็ประกาศเลยไม่ใช่เห็นอย่างเดียวใช่ไหมท่านประกาศโทษของกาลประกาศโทษของพบเลยบอกกาลมาพบประดุดตังไฟไหม้รูปมาพบประดุดตังไฟไหม้ อารมณ์ปปพบก็คือประดุดดังไฟไหม้คือไฟสิบเดกองมันไม้ราคาโทรสามโมหามันไหม้ชาติก็เป็นไฟชะลาก็เป็นไฟมรณะความตายเป็นต้นก็เป็นไฟแล้วก็ไปนั่งท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเป็นไฟใช่ไมไหม้ไหม้หมก็ท่องก่อนใช้สัญญาเป็นตัวนําในสื่อจริงก็จะเข้าใจว่าไฟไหม้จริงๆย่งนะ้ตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นไฟใช่ไหม น, น้ำคันได้ไฟกองนี้แล้วก็ไปเอาไฟกองใหม่ไหม แล้วก็อตโตวะมุขขาภาวะปยุพทานะก็มีอันหันหลังจากโทษนั้นแหละเป็นผลหันหลังให้ไหมพระโพธิสัตว์เนกธรรมบารมีเนี่ยหันหลังให้เลยหันหลังให้กามาพบหันหลังให้รูปมาพบแล้วรูปพบหันหลังให้กามเนี่ยและหันหลังให้จากวัตถุการและกิเลสการแล้วก็มีความสลดใจเนี่ยเป็นเหตุใกล้สังเวคะเนี่ยมีความสลดใจเป็นเหตุใกล้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 เห็นเธอสนทนาเรื่องของเราอยู่ใช่ไหมว่าโหตกใจเหงื่อแตกแล้วก็เลยบอกว่าที่เธอพูดเนะี่ยพยันชนะนะี่ถูกแต่อัฏถนะน่มันผิดเข้าใจยังอัฏถนะน่ยมันผิดเพราะตาหูจมกูกเลนกายใจเนะี่ยมันเป็นของไม่ดีมันมีโทษแต่เธอเข้าใจผิด ว่าัรฏาคตเนี่ยที่บอกว่ัฏฏาคตจํากัดความเจริญเนี่ยจริง